3. ปัทมะคัตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกาจัดสูตรที่หนึ่ง 3. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบรุษประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียน และประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกล่าวสรรเสริญผู้ควรติเตียน 2. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองกล่าวติเตียนผู้ควรสารเสริญ 3. ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแสดงความเลื่อมใสในฐานนะที่ไม่ควรเลื่อมใส สี่ไม่พิจารณาไม่ไตรตรองแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบรุษประกอบได้ทำสีประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียน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 พิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวติเตียนผู้ควรติเตียน 2. พิจารณาไตร่ตรองแล้วกล่าวสารเสริญผู้ควรสารเสริญ 3. พิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะไม่ควรเลื่อมใส 4. พิจารณาไตร่ตรองแล้วแสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบุรุษประกอบด้วยธรรมสีประการ น, นี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากผู้ใดกล่าวสลรเสริญผู้ควรติเตียนหรือกล่าวติเตียนผู้ควรสลรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปาก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 ย่อมเข้าถึงนรกสิ้นหนึ่ง0นพันนิรภพุทธกั บ, กบอีกห้าอัพุทธกับปัทธมคาตสูตรที่สจบ 4. ทุติยคตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตนถูกกรรมจัดสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบรุษปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกย่อมบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติดเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากบุคคลสีจจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมอันอสัตตบรุษ ปฏิบัติผิดในมารดาย่อมบริหารตนให้ถูกกําจัดถูกทําลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 2. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในบิดา 3. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษ ปฏิบัติผิดในตถาคต 4. คนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบุรุษปฏิบัติผิดในสาวกของตถาคตย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติดเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากพิกษุ์ทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตตบุรุษ ปฏิบัติผิดในบุคคลสี่จำพวกนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกรรมจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบรุษปฏิบัติชอบในบุคคลสี่จำพวกย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกรรจัดไม่ให้ถูกทำลาย ไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในมารดาย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกรรมจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียน และประสบบุญเป็นอันมาก 2. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบุรุษปฏิบัติชอบในบิดา 3. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษปฏิบัติชอบในตถาคต 4. บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบุรุษปฏิบัติชอบในสาวกของตถาคต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 ส่วนนรชนผู้ปฏิบัติชอบในมานดาบิดาตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากเพราะการประพฤติทธรรมในมานดาบิดานั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้แหลเขาจากโลกนี้ไปแล้วจึงบรรเทิงในสวรรค์ทุติยคตะสูตรที่สจบ